ซีดีรวมธรรมบัญญายในปีพุทธศักราช2549ชุด ร, รมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาพรออปออประยุตโตวัดยา น, นเวศั ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบตอบเรื่องสิทธิเพศที่สามสอง 1. บรรยายเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2549กา ร, ร บ, บการมตรการนั้นเรื่องพอนะครับเรื่องสิทธิมิชนคงจะถามต่อที่ที่กาบเรียนท่านไว้ก่อนแล้วเรื่องพอบพอเรื่องคนที่ว่าจะมาขอบวชคนขอบวชวันนั้นใครพูดบบเพศที่สามใช่ไหม เขามีใช้คํานี้แล้วเหรอเพศที่สาม ว, าวันนั้นใครพูดไม่รู้เรียองกับ เ, เพศที่สามเปลี่ยนขุมใช้เลยและยอมรับกันแค่ไหนอะ่ะท <ไป S 1> ีนี้ถ้ายอมรับแล้วยิ่งชัดเลย <ไป S 1> ก็สังฆะเนี่ยตั้งขึ้นมาแต่ละเพศก็ต้องมีสังฆะหนึ่งสังฆะหนึ่งก็สําหรับพระภิกษุผู้ชายก็เป็นพิกขุสังฆะพอจะมีผู้หญิงบวชก็ต้องตั้งอีกเซนอีกสังฆะหนึ่ง ก็เป็นพิกุณีสังฆะนี่ถ้ามีแพ์ที่สามก็ต้องตั้งอีกสังฆะจะมาขอบวชอันไหนใช่ไหมจะมาขอบวชในสังฆานี้มันก็คนละเพศมันก็ขัดกันอยู่ในตัวแล้วมันชัดเจนไปเลยคือเราต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าการบวชเนี่ยมันมีเรื่องทางเพศที่ว่าในกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตเนี่ยมัน ตัดปัญหาเรื่องเพศไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้มีความคลุกคลีในเรื่องนี้อยู่แล้วท่านที่ว่าเป็นเพศที่สมเนี่ยถ้าเราไม่เอาในแง่ที่ว่ายอมรับเป็นเพศที่สมมันก็มีปัญหาในเรื่องทางเพศอยู่น่าจะมีปัญหายิ่งกับผู้หญิงอีกเช่นว่าในภิกษุสังฆะถ้าภิกษุอยู่กันแล้วก็มีภิกษุณีมีผู้หญิงมาอยู่ร่วมเนี่ยก็แยกชัด ก็จะตัดปัญหาเรื่องเพศไปได้ส่วนหนึ่งในการที่รู้จักแยกชัดนี้ถ้าเป็นคนที่เลือกเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่มีความรู้สึกไม่เหมือนอย่างนี้เขาอาจจะมีความต้องการมีความปรารถนาต่อเพศชายด้วยกันและอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตของการปฏิบัติการฝึกฝนในหมู่ของผู้ชายที่เป็นพระภิกษุนะั้นยิ่งยุ่งใหญ่เลยใช่การตั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นมาก็เพื่อให เกิดสภาพเอื้อต่อคนกลุ่มนั้นที่จะได้ปฏิบัติไปสู่จุดหมายได้ผลดีฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเกิดมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ได้สภาพเป็น้อมที่เหมาะเพราะตัวเองยังมีความพึงพอใจแบบนั้นก็ยิ่งกลายเป็นสภาพที่แทนที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติกลับมาเอื้อในทางตรงข้ามไปเลยก็ได้ฉะนั้นเราต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องว่ามีสิทธิสิทธิ จะไปดูว่าสิทธินี้เรามีเพื่อประโยชน์อะไรความมุ่งหมายของการใช้สิทธินี้ก็เพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสหรือได้ใช้โอกาสที่เกิดจากสิทธินี้ในการที่จะทำการบางอย่างเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์ที่ต้องการที่มาตรงกับวัตถุประสงค์ของชุมชนนั้นเป็นต้นเช่นสังฆาคํามาตงขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเราเข้าไปเพื่อจุดมุ่งหมายอันนั้นแล้วการที่เรามีสิทธิอันนี้ เราใช้ไปแล้วสิทธิอันนี้มันไปสนับสนุนหรือกลายเป็นขัดขวางไปในกรณีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นทางขัดขวางมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ควรจะตั้งสังฆะขึ้นมาตังหากเพื่อชนในกลุ่มนี้นะก็เช่นเดียวกับที่ตั้งภิกษุณีสงเพื่อสําหรับผู้หญิงนั่นแหละหรื อ, อยังไงลองลองช่วยกันพิจรารณา คุณเจ้าพูดจริงๆตามธรรมพัทธมินัยนี่ก็มีพุทธบัญญัติห้ามไว้อยู่แล้วนะฮะเลื่ใช่ะอะนนั้นในแง่ของธรรมวินัยมีอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่ว่าต้องการจะปฏิบัติทําจริงๆก็ไม่เห็นมีความจําเป็นที่ว่าจะต้องเข้ามาบวชก็ได้เลื่อนผอนอยู่ในเพศเดิมหรืออยู่ในสถานะเดิมก็ปฏิบัติทําได้ก็สเสมอภาคอยู่แล้วเลื่อนผอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่เคยห้ามไว้เลยนะฮะว่าพัทธรรมของพระ อ, องค์ จะต้องเฉพาะควกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พระ อ, อ, องค์<ะ>ก็ให้เสมอกันหมดใครต้องการปฏิบัติก็ได้เสมอกันหมดก็คือว่าความเห็นก็คือว่าเสมอภาคอยู่แล้ว<ะ>มันจะไป็ได้ต้องดิด้นรนเข้ามาบวชถ้ามาบวชมันก็กลายเป็นไม่เสมอชัดอยู่แล้ ว, วไม่เสมอถ้าหากไว้ให้เสมอก็อย่างที่ว่าก็ต้องตั้งสังฆะเข้าไปกลุ่มแต่ทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งที่เราหน้าพิจารณาคือสมัยพุทธกาลนั้น คนที่เราเรียกว่าเพศที่สามเนี่ยจะเป็นคนที่นั่งน้อยมากไม่สามารถจะรวมกลุ่มขึ้นมานี่ถ้าในยุคปัจจุบันนี้ถ้ามีมากขึ้นก็อาจจะต้องตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาต่างหากแต่ทีนี้ว่าไม่มีพุทธบัญญัติในการบวชให้แก่ผู้ที่อยู่ในเพศที่สามนี้เพราะฉะนั้นการตั้งมันก็ตั้งขึ้นมาในลักษณะที่เป็นแบบเป็นชุมชนพิเศษขึ้นมาซึ่งเราอาจจะทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรก็เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด ให้คนที่เข้ามาในชุมชนนี้ได้ประโยชน์มากที่สุดที่จะปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายของศาสนาที่เขาต้องการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราดูว่าทำไงจะได้ผลดีแก่ชีวิตของเขาด้วยแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มองแค่จะใช้สิทธิใช้อย่างไรแล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดนั่นแหละตัวเขาเองก็จะได้ประโยชน์มากด้วยอันนี้หนึ่งแล้วมีอะไรไม่เลิก่อเรื่องการฆ่ามนุษย์ อ๋เอเลยเหรอแสดศาสนาพุทอ้าวทาไมสั้นนักล่ะเรื่องนี้ไม่มีข้อแย้งอะไรเลยเชิญเชิญคำถามที่หนึ่งคือว่าที่ว่ามีในบัญญัตินะฮะในบัญญัติว่าไว้ว่าอย่างไงบ้างนะฮะก็บัญญัติไม่ให้บวชผู้ที่เป็นบรรดออาบุปโตพยัญชนะบรรดาบนนี้แปลว่าคนที่ตักเครื่องเพศชายออกแล้วถูกไหมฮะก็ะแปลกันมาก็กระเทยว่าอย่างนั้นเดิมถ้ากระเทยนี่แปลว่าเธอมาโฟไดมีสองเพศในคนเดียว ท่านกำกับไว้หมดแล้วมีกระเทยประเภทต่างๆมีหลายประเภทเลยบันดอท่านก็แยกประเภทไว้แล้วมีอยู่พระโตพระนชะนน ก, ก็คือคนสองเพศคือคราวนี้เนี่ยคนในเพศที่สมเท่าที่เข้าใจกันนะเรือร่อยหมายถึงว่าถ้าเกิดดูโดยภาวะร่างกายโดยปกติแล้วเรืรเขาก็มีความเป็นชายนั่นสิเหมือนกับคนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นจะว่าบัญญัติห้ามเนี่ยผมไม่เริ่มไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ย ในเนื้อแท้ของผู้ศาสนาเองเรามักจะลงไปที่ว่าเรื่องความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนก็ไม่มี เ, เพศมันก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมมุติสัจจะแบบหนึ่งหรือเปล่าการที่เรารู้สึกเรื่องเพศผมเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกตลอดเวลาเรอ ร, รารู้สึกเรื่องของเพศว่าตัวเองเป็นเป็นใครหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมันขึ้นมาเป็นพักพักพักพกแม้กระทั่งคิดเข้าใจว่านะฮะว่ า, าความสำนึกเรื่องเพศเนี่ยมันจะสูงสุดตอนเมื่อมีกิจกรรมทางเพศในภาวะที่ คนมาขอบวตในพุทธศาสนาถือเพศพนมจันท ร, ร์พรยายามที่จะไม่ข้องเกี่ยวกิจกรรมทางเพศเนี่ยแม้กระทั่งว่าคนนั้นเดิมในภาวะเป็นพระวาสเนี่ยไม่มีความต้องการทางเพศเอาจจะชอบเพศเดียวกันในภาวะการปฏิบัติภา ร, รกิจที่เป็นสงฆ์เนี่ยในเป็นพระก็ตามเมื่อกิจกรรมทางเพศถูกตัดออกไปจากชีวิตแล้วผมไม่แน่ใจว่ า, วาตรงนี้จําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องเอามาพิจรารณาคือพูดกันง่ายๆอย่างนี้กันไหมกันหมายความว่าทิ่ท่านบัญญัติเนี่ยไว้ปฏิบัติต่อผู้ที่รู้กันชัดๆแล้ว นในกรณีที่ยังไม่ชัดเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าเรื่องวินัยเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นแหละคือสมมตินี้ก็หมายความยอมรับตามที่ตกลงกันในสังคมท่านจะไม่เอาเรื่องของธรรมะที่เป็นนามธรรมเข้ามายุ่งมากเพราะว่าอย่างเรื่องอา้าวกราบไหว้เนี่ยนี่เป็นเรื่องทางวินยัยเป็นเรื่องของสมมติการยอมรับข้อตกลงกติกาในทางสังคมไม่ใช่ของจริงตามธรรมชาติรู้กันชัดไปเลยวินัยเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นไม่ต้องมาพูดกันอีกอย่างเรื่องกราบไหว้เนี่ยก็ดูตามภรษาใครบทก่อนบทหลังเธอจะเป็นพระอรหันต์หรือไปเป็นไม่เกี่ยวไม่ต้องมาอ้างถ้าอย่างนั้นเรายุ่งก็อย่างเรื่องกราบไหว้เนี่ยฉันยังพุทธบัญญัติเรื่องนี้จตมาเล่าให้ฟังหน่โยมอาจจะได้ประโยชน์เหมือนกันคือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเออเราอยู่ก็เป็นชุมชนเป็นสังฆะตอนนั้นชักใหญ่ขึ้นแหละมีพระจํานวนมากก็ควรจะมีการแสดงความเคารพกัน แล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรพระองค์หนึ่งก็เสนอบอกว่าใช้เกณฑ์วันณะสิใครออกบวชจากวันณะกษัตริย์พราหมณ์ก็เป็นวันณะสูงคนออกจากวันณะสูตรออกบวชจากวันณะแพทย์ก็ต้องกราบพกออกบวชจากวันณะกษัตริย์พราหมณ์แล้วก็เหตุผลขององค์หนึ่งก็เสน อ, อว่าเอาอย่างนี้คนไหนเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้รับไหวคนอื่นถ้าเป็นพระโสดาสกทาคามีก็ไหวคนองค์ที่เป็นอรหันต์เป็นต้น นี่ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งในบรรดาข้อเสนอต่างๆอ้างกันไปอ้างกันมาพุทธเจ้าก็สรุปว่าเอางนี้ดีมั้งใครบวชก่อนก็เป็นพี่คนบวชหลังไม่ว่าจะบวชจากวันหน้าไหนอะไรทั้งนั้นน่ยพุทธเจ้าก็ทุงเอาอันเนี้ยว่าใครบวชก่อนบวชหลังบวชที่หลังก็กราบไหว้องค์ที่บวชก่อนก็ตกลงอย่างนั้นนี่นี่คือเรื่องของวินัยเป็นเรื่องสมมติท่านไม่ไปเอาว่า จะเป็นพระหลานหรือไม่เป็นไม่ไมไมเกี่ยวหรอกเลยพอนนะหรืออย่างคารืหัดเป็นครืหัดที่เป็นโสดาบันเครื่องวัดภายนอกมันไม่มีแต่ทีนี้ว่าทางจิตใจออกมาทางพฤติกรรมก็คือถ้าเป็นคนไม่มีความเห็นแก่ตัวและไม่มีความจนีเหนียวแน่นแล้วก็เห็นแก่คนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นสุขนั่นก็มีตระกูลโสดาบันที่พร้อมที่จะให้อยู่เสมอ นิพพางองค์นี้ก็มีเจตนาไม่ค่อยดีนักเพราะตัวเปน็นตูตูชนเนีเห็นตระกูลนี้ใจกว้างอะไรแต่อะไรก็มาเรื่อยนีมาเรื่อยท่านก็ให้เรื่อยเจนตระกูลนี้ครอบครัวเนี่ยแย่ลําบากพระพุทธเจ้าทรงทราบก็มีพุทธานุ ญ, ญาตอันหนึ่งว่าสําหรับผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้ให้สงฆ์เนี่ยประชุมกันท่านเรียกว่าสมมติสมมติคือการแต่งตั้งของพระเนึกเรียกสมมติเท่านั้นน่ย ก็ให้ที่ประชุมเนี่ยสมมติครอบครัวนี้เป็นครอบครัวโซดาบันเมื่อสมมติอย่างนี้แล้วพระภิกษุองค์ใดไปเที่ยวยุ่มยามขออะไรแล้วก็มีความผิดเลยอันนี้คือเพื่อรักษาคหั้นั้นไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปรบกวนนี่คือวิธีทางวินยัยวิธีทางวินัยก็คือใช้วิธีการทางสังคมที่เป็นรูปแบบเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่จะไปบอกว่าคนนี้เป็นโซดาบันหรือไม่อันนั้นใช้ไม่ได้ท่านไม่ยอมรับ แล้วจะเป็นจริงหรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนี่อันนี้เป็นเรื่องของสมมติก็รู้กันว่าเป็นสมมติแต่ว่าก่อนที่จะสมมติก็ต้องรู้กันแล้วว่าครอบครัวนี้เขามีลักษณะอย่างนี้มีอัธยาศัยมีคุณสมบัติอย่างนี้เห็นกันอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของการเชื่อมระหว่างนมามธรรมกับรูปธรรมหรือวินัยก็เอาแต่เรื่องที่เห็นกันปฏิบัติได้ในทางสังคมชัดเจนไม่มาโมยุ่งยากกับเรื่องทางด้านจิตใจ แต่ว่าที่มีทางด้านวินัยขึ้นมาที่เป็นสมมุติก็เพื่อเป็นตัวเกื้อหนุนเป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลช่วยให้การปฏิบัติในทางามธรรมนี่ได้ผลนั่นเองทั้งสองอย่างมาหนุนซึ่งกันและกันแต่ต้องสามารถแยกกันได้นี่ก็เป็นเรื่องของวินัยที่ว่าประเด็นเรื่องเพศที่สามเนี่ยขออนุญาตถามนีด<ะ>หนึ่งว่าถ้าระหว่างที่ตอนบวชเนี่ยเป็นผู้ชายหรื อ, เ, ร อ, อเป็นผู้หญิงเป็นภิกษุภิกษุณีออแต่อยู่ๆไปเนี่ยมีความเบี่ยงเบนเ ให้ทำยังไงครับจะต้องศึกไหมครับก็ศ <schedule S 1> ึกมีธรรมวินัยอันนี้จะดูขอ้อบัญญัติละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะจะต้องมีปัญหากับนมาตการต่อจบเมื่อก<ง>ี้นะเลือกที่ทเขาเด็ดเขาเกลี่ยจังบอกว่าวินัยเป็นเรื่องสมมุติล้วนเพื่อไม่ให้มีข้อคิดเห็นขัดแยง้งให้เห็นชัดชัดผมก็ยังคลองใจยอยู่เรื่องเรื่องการปรับอาบัติประชิกซึ่งประชิกมีอยู่4ี่อย่างประมปราชิก เรื่องการเสพเมถุนใช่ไหมครั บ, บรเคยมีเหตุการณ์อันหนึ่งคือนางอุบลวรรณเทรีรซึ่งก็มีกิจกรรมทางเพศกับครื้หัดจนกระทั่งท้องอแล้วก็มีคนโจดประชิกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าในระหว่างการมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยนางอุบลวรรณเทรีรไม่ได้มีเจตนากําหนัดในกิจกรรมนั้นท่านก็เลยว่าท่านนางอุบลวรรณนาไม่ได้ต้องอบัติประชิกไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยจริงหรือเท็จยังไงประการใดครับ ก็จริงสิแต่ต้องขออภัยขอเติมหน่อยคือตอนที่ฟังนะ่ไม่ได้สังเกตรายละเอียดของคำถามที่ว่าจริงนั้นจริงในแง่หลักการแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเรื่องราวนั้นในคำถามยังไม่ตรงคือเรื่องราวไม่มีหรอกที่บอกว่าพระอุบลวรรณนาเถรีมีกิจกรรมทางเพศจนท้องไม่มีมีแต่ว่าครั้งหนึ่งนะ่ะ ท่านถูกคนที่มาแอบลอบอยู่ในที่พำนักของท่านท่านกลับจากบินดาบาดแล้วคนนั้นก็นข่มขืนท่านพอนข่มขืนแล้วออกจากที่นั้นเขาก็ถูกแผ่นดินสูบก็จบเรื่องราวก็มีเท่านี้ฉะนั้นก็เรื่องที่เป็นข้อมูลนี่อาจจะผิดพลาดไปก็แก้อันนั้นเป็นการพูดในแง่ของข้อมูลทีนี้ที่ว่าจริงก็คือจริงในแง่หลักการ หลักการที่ว่าจริงก็คือหลักการเกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติและก็การปฏิบัติหมายความว่าในเรื่องหลักการทางพระวิ น, นัยต้องแยกเป็นสองด้านคือแยกในแง่การบัญญัติกับในแง่ของการปฏิบัติหรือแยกในฝ่ายบัญญัติกับฝ่ายปฏิบัติในฝ่ายบัญญัติก็ถือเอาสมมติบัญญัติเป็นเรื่องรูปธรรมกาหนดได้ชัดเจน ไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องนามธรรมคุณสมบัติทางจิตใจจะเอานามธรรมมาบัญญัติวินัยไม่ได้หรือถ้ามีก็ต้องมาทําให้มันเป็นรูปธรรมให้ชัดแต่ฝ่ายปฏิบัติจะดูว่ารักษาวินัยละเมิดวินัยไหมดูที่เจตนาฝ่ายปฏิบัติถึองดูที่เจตนาไม่ใช่ทุกข้อนะบางข้อไม่เจตนาก็ผิดท่านเรียกวิกขาบทที่เป็นอจิตตกะแต่โดยทั่วไปแล้วจะเจตนา กฎหมายก็ต้องใช้หลักนี้แต่บางข้อโดยประมาทไม่เจตนาก็เอาเนี่ยเป็นว่าบัญญัติวินัยนี่ใช้เรื่องรูปผิดธรรมสิ่งที่กำหนดหมายได้ชัดเจนส่วนฝ่ายปฏิบัติต้องดูที่เจตนาว่าละเมิดหรือเปล่าไอ้ตัววินัยเนี่ยมันเชื่อมกับธรรมะที่เจตนาไงก็เราก็ใช้หลักการนี้ไปทั่วละกฎหมายก็ใช้อันนี้ทั้งนั้นคือเมื่อ้นเราก็ไม่มีเครื่องตัดสิน ทีว่าภิกษุไปเหยียบมดตายเงี้ยก็ไม่ได้เจตนาก็ไม่เป็นอาบัติคือแทบทั้งนั้นมันมีเหมือนกันแต่ท่าจะแยกนะอาบัติที่เป็นอจิตกะไม่มีเจตนาก็เป็นอาบัติแต่ที่ว่าแม้ไม่เจตนาก็เป็นอาบัติก็มีความผิดเหมือนอย่างว่าทางศาลก็มีการพินากฎหมายเรื่องความผิดโดยประมาทอย่างนี้เป็นต้นคล้ายของพระนี่แหละก็มาอย่างเดียวกันแต่ว่าไอ้ตัวหลักการทั่วไปใช้เจตนา เจตนาจะเป็นตัวตัดสินและเจตนาก็จะไปประกอบกับอื่นถ้าไปพิจารณาทางธรรมะเจตนาประกอบด้วยโลภะตัสะโมหะความอาฆาตแค้นและบาปก็แรงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าทางวินัยก็แค่ขาดจากความเป็นพระภิกษุอย่างนี้เป็นต้นแต่เจตนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างไอ้เรื่องรูปแบบรูปธรรมกับนมามธรรมก็ใช้เจตนาเป็นตัวตัดสินเรื่องอเชิญเราก็ได้รบกวนเวลาท่านมา พอสมควรชนิดคิดว่าเราคงจะมีเวลาที่จะขอากาบเรียนถามอีกสองสมเรื่องพอนะครับเรื่องคำามนุษย์ยังไม่ได้ตอบก็ต้องตอบต่อเลยมาเชิญเชิญเอ๊แต่ว่าที่จริงพูดเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วพูดเรื่องพิสุณีหน่อยจะดีไหมเพราะเวลานี้ก็มีการพูดกันมากแล้วก็บางทีจับประเด็นไม่ถูกใช่ว่าผู้หญิงมีสิทธิบวชไหมอะไรเงี้ยนะหรืออะไรจะปฏิบัติอย่างไรความเสมอภาคของสตรีเลย แต่มาว่าบางทีอาจจะจับจุดผิดหรอือเปล่าคือไปจับจุดที่ผู้หญิงมีสิทธิ์บวชหรอือเปล่าผู้หญิงมีสิทธิ์บวชมันแน่นอนอยู่แล้วปัญหาเวลานี้มันอยู่ที่สิทธิของผู้ให้บวชคนที่จะไปทําการบวชให้เนี่ยมีสิทธิ์หรอือเปล่าปัญหามันอยู่ที่นี่ตัวประเด็นผู้หญิงมีสิทธิ์อยู่แล้วนี่คนที่จะมาบวชให้เนี่ยมีสิทธิ์หรือเปล่าเราหาคนนี้หาคนที่จะมีสิทธิ์บวชให้แล้วมันตัน ใช่ไหมเออเวลานี้ปัญหามันอยู่ที่นี้ความจริงถ้าทราบเรื่องที่เป็นมาแล้ว จ, จะชัดขึ้นก็เลยเล่าไว้สันหน่อยคือการพิจารณาเรื่องอะไรใ น, นหนึ่งเราเอาหลักการที่เป็นของกลางๆ ล, ล้วนๆคล้ายๆเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนหลักการเป็นอย่างไรยังไม่ต้องเอาความต้องการแล้วหลักการนี้อาจจะมีประวัติการเข้ามาผสมแล้วจากนั้นก็เราต้องการอะไรหลักการเป็นอย่างไรว่ากันไปให้ชัด และเราต้องการอย่างไรถ้าเราต้องการอย่างนี้มันไม่สอดคล้องกับหลักการแล้วเราจะยอมกันหลักการไหมถ้ามันไม่ยอมเราถ้าหลักการมันสอดคล้องกับความต้องการก็หมดปัญหาถ้ามันไม่สอดคล้องเราจะเอาไงเราจะยอมกันหลักการหรือเราจะเปลี่ยนหลักการต่นนี้เราก็ดูที่หลักการเฉยๆก่อนเราไม่พูดถึงความต้องการแล้วอาจจะชัดขึ้นมาคือเรื่องบทภิกษุณีนี้ก็ยังพูดกันสับสน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชภิกษุณีตอนแรกเมื่อพระนาที่เป็นพระมารดาเลี้ยงพนางมหาบชาบิีโคตมีเนี่ยพาสากยานีคือเจ้าหญิงสักยะพากันไปขอบรรพชาบัตสมบทตอนแรกพระองค์ยังไม่ยอมจกนกระทั่งพระอานตน์ได้ไปทูลขอและในที่สุดก็ทรงให้เข้าแม่ต่างๆแล้วก็ให้บวชสำหรับพนางมหาบชาบดีโคตมีพระพุทธเจ้าก็ส่งให้บสมบทเอง ที น, นี้นางสาวกียานี้มามากต้องเป็นรอยๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้เนี่ยมักจะเอาอันนี้มาอ้างพุทธานุญาตที่บอกให้ภิกษุทั้งหลายบวชก็คือบวชให้เจ้าหญิงสกิยาเหล่าเนี้ได้บวชเป็นภิกษุณีทีนี้พอบวชมีภิกษุณีขึ้นแล้วก็มีภิกษุณีสงพอมีภิกษุณีสงต่อมาก็กลายไปว่าภิกษุณีที่จะบวชต่อมาเนี่ยต้องบวชจากสงสองฝ่ายคือต้องมีภิกษุณีด้วย จะมีแต่ภิกษุอย่างเดียวไม่ได้อันนี้อาตมาว่าหลักกฎหมายทั่วไปก็มีอยู่แล้วกฎหมายที่บัญญัติทีหลังลมลางบัญญัติก่อนใช่ไหมก็บัญญัติเมื่อกี้นี้ก็คือตอนที่จะมีการบวชครั้งแรกตอนนั้นมันยังไม่มีภิกษุณีและจะภิกษุณีที่ไหนมาบวชใครภิกษุทั้งหลายบวชพอมีภิกษุณีแล้วทีนี้ภิกษุณีสงก็ร่วมในการบวชภิกษุณีก็เลยเรียกว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้ที่บวชจากสงสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีร่วมกัน อาแล้ขั้นตอนหนึ่งตอนนี้มีภิกษุณีสงร่วมบวชด้วยนี้ต่อมาก็มีวิวัฒนาการที่มาเป็นปัญหามากก็ตอนสักถามคุณสมบัติของผู้ขอบวชสมบทภิกษุไปร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ขอบวชซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอึดอัดไม่สบายใจอายในการที่จะตอบเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงปรารบข้อ น, นี้ ก็ทรงบัญญัติว่าให้บวชในขั้นของการซักถามยอมรับคุณสมบัติเนี่ยเสร็จไปในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ก็มารับทราบก็ยอมรับตามที่ภิกษุณีสงฆ์ได้รับเข้ามาแล้วอันนี้ก็หมายความว่าตัดบทบาทของภิกษุสงฆ์ให้น้อยลงตอนนี้การบวชก็เรียกว่าแทบจะเสร็จจากฝ่ายภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้มาจนกระทั่งว่ามีเหตุการณ์เล็กๆน้อๆในพิกษสูตรพรพุทธเจ้าว่า แม้แต่ว่าภิกษุณีสงฆ์บวชให้เสร็จแล้วภิกษุสงฆ์ไม่มีในที่นั้นแล้วก็อยู่ห่างไกลกันมีความไม่สะดวกมีอันตรายก็อาจจะส่งทูตไปเท่านั้นบวดเสร็จแล้วก็ให้ทูตไปแจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ก็จบเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดบทบาทของพระภิกษุออกไปจนกระทั่งแทบจะเหลือแต่บทบาทของภิกษุณีในการบวชภิกษุณีฉะนั้นก็ถือเป็นหลักมาว่าการที่จะบวชผู้หญิงให้เป็นภิกษุณีก็ต้องมีภิกษุณีสงฆ์ ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เพื่ภิกษุจะไปบวชก็ติดปัญหาถ้าเราลองนึกดูให้ดีเนี่ยถ้าเกิดมีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาใหม่แล้วภิกษุบางองค์จะไปอ้างว่าพะพุทธบัญญัติให้ภิกษุบวชได้แล้วภิกษุบางองค์นั่นก็ไปเทีย บ, บวชภิกษุณีอย่างเงี้ยแล้วภิกษุณีสงฆ์จะคิดยังไงมันก็จะเกิดความปั่นป่วนยิ่งยุ่งใหญ่เลยนั่นเราต้องมองกว้างๆเลยระยะยาวด้วยแต่รวมความในตอนนี้ก็คือว่าไอ้เรื่องของการบวชภิกษุณีเนี่ย มันแทบจะสําเร็จจากภิกษุณี ส, สงฆ์หมดแล้วเน้นก็จะมาเอาไอ้ข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้ภิกษุณีเนี่ยมันก็ขัดทั้ในแง่ของหลักกฎหมายแล้วก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเนี่ยถ้ามีภิกษุณี ส, สงฆ์ขึ้นแล้วภิกษุพวกนี้ก็จะอ้างเับเย้าบวชกันเรื่อยไปนั่นก็ต้องคิดกันเรียกว่าให้มันรัดกุมว่าจะทํำยังไงไม่ให้เกิดปัญหา อันนี้ก็เป็นข้อที่เอามาเล่าให้ฟังในแง่หลักการและความเป็นมาและส่วนความต้องการของเรากับหลักการนี้มันจะสอดคล้องกันไหมทำไมสอดคล้องเราจะปรับจะแก้จะเอาอยัางไงเป็นเรื่องที่จะต้องคิดอีกขั้นหนึ่งแต่อย่างน้อยต้องรู้หลักการให้ชัดก่อนทีนี้ก็มาเรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์นี่ก็ชัดอยู่แล้วทางพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมอยู่เลยท่เรียกว่ามิจฉาวณิจชา การฆ่ามนุษย์นั้นเป็นมิจฉาชีพเป็นมิจฉาวณิจชาเป็นการค้าขายที่ผิดแต่ทีนี้ว่าเมื่อผิดแล้วเราจะทําไงก็ชาวพุทธนะปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติก็ผิดศีลแ ล, และจะทําไงอันนี้มันเป็นปัญหาภาคปฏิบัติหลักการมันให้แล้วนี้ขอภัยอยากจะทราบให้ชัดขึ้นว่ามันเป็นปัญหาเชิงยังไงคงไม่เป็นปัญหาเชิงหลักการแต่เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติการวิธีที่ปฏิบัติ ้องกันอย่างไรที่จะทำให้คนเสี่ยนแปลิพฤติกรรมอะไรเพราะว่าตอนนี้คนเป็นมุ่งไปท <c oughs> ี่วัตถุมากแล้วก็ทําให้กระบวนการเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการมันเหมือนกับสมยอมไป<อ>ในตัวถ้าเราจะพูดภาษาหนึ่งเราก็บอกว่าการค้ามนุษย์มันก็ต้องผิดทั้งศีลทั้งธรรมในด้านศีลก็ผิดเป็นอาชีพที่ผิดในด้านธรรมะก็ขาดความเมตตากรุณาเป็นต้น อันนี้มาเป็นชาพุทธเราก็ต้องสร้างความรู้ตระหนักก็อย่างที่ว่าตั้งแต่เจตนาเมื่อคุณจะเป็นชาพุทธคุณก็ต้องมีเจตนาที่สอดคล้องกับความเป็นพุทธที่ว่าอย่างน้อยในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี่แทนที่จะเมตตาปราณีช่วยเหลือเขากลับจะไปทําร้ายเขาอันนี้มันก็เป็นการประสุสร้ายที่ร้ายแรงเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความรู้เหมือนกันนะ คือบางคนอาจจะยังไม่คยรู้เด็ดซ้ําว่าการค้าอย่างไรบ้างเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์เราก็อาจจะต้องมาแยกแยะให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆมากมายอย่างนี้อย่างนี้งี้ที่บางคนอาจจะยังไม่ทันนึกว่าเป็นการค้ามนุษย์ที่จริงมันเป็นการค้ามนุษย์ด้วยเมื่อเป็นการค้ามนุษย์แล้วก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นการผิดศีลผิดธรรมอย่างไรก็ต้องเอามาเน้นกัน <compan> ถ้าสังคมให้ ค, ความรู้อย่างนี้มันก็ช่วยเป็นในระดับหนึ่งเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นด้านของปัญญาความรู้ความเข้าใจให้ความรู้เลยพอแล้วก็ทีนี้ในเชิงปฏิบัติก็เป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเช่นเรื่องของกฎหมายเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่มันมาโยงกับเรื่องปัญหาทางด้านธุรกิจเรื่องผลประโยชน์ซึ่งจะต้องแก้ไขเช่นเดียวกับปัญหาอื่นมากมายนี่เราจะมาพูดกันตรงจุดประเด็นไหนดีลเลยพอดชัดพอเล ย, เลยอ้าวเลยเดี๋ยวจะจบง่ายๆเลย เรขาเป็ท่านอาจารย์ประเด็นต่อจากเรื่องภิกษุณีนะคะว่าเราจะอยู่ตรงประเด็นไหนว่าเป็นประเด็นหลักสําคัญเพราะว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าทรงมอบหมายภารกิจในการที่จะรักษาธรรมะรรหรือเผยแพร่หลักธรรมของพระองค์ให้กับพุทธบริษัทส ซึ่งก็มีภิกษุณีอยู่ด้วยนี่พออย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าปัญหาเวลานี้คือสิทธิของผู้ที่จะบวชให้นี่น ะ, ะมันไม่มีก็เลยทําให้ภิกษุณีเนี่ยไม่สามารถมีได้ทีนี้ในตรงจุดนี้เนี่ยไม่ทราบว่าไอ้ตรงจุดไหนมันจะสําคัญกว่ากันระหว่างสิ่งที่พระเจ้าท่านมอบหมายให้ว่าการที่เราจะดูแลธรรมานี้ให้สืบต่อยืนนานไปเนี่ยต้องอาศัยพุทธบริษัททั้ง4ี่ คือมีภิกษุณีด้วยที้ในแง่นี้อย่าง ท, าท่านอาจารย์พูดถึงว่าถ้านในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยรจริงๆกฎหมายมันก็ต้องแก้ไขให้สิ่งที่มันทําไม่ได้ให้มันทําได้ด้วยทีถ้าหากว่าอันนี้จะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้านในแง่ของภิกษุณีอาจจะไม่ไม่ใช่ว่าต้องให้ภิกษุบวชภิกษุณีเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าเหมือนมีการสังคยานาใหม่แล้วก็มีการสมมติขึ้นมาที่จะให้มีการบวช ภิกษุณีขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนที่เป็นต้นภิกษุณีใหม่เนี่ยในการที่จะบวชต่อไปไอ้ลักษณะแบบนี้ไม่ทราบท่านอาจารย์คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมคะตอนนี้เราต้องพูดกันหลายขัน้นตอนแรกก็คือว่าเราต้องการสิ่งที่เป็นพุทธบัญญัติหรือเปล่าทีนี้ตามที่เราถือกันนี้เราก็ถือตามพุทธบัญญัตินี่ถ้าเราไม่ยอมเราไปแก้อันนี้มันไม่ใช่แก้กฎหมายเฉยเยนะมันเป็นการแก้ในระดับพุทธบัญญัติทีนี้แก้พุทธบัญญัติ พระก็จะมีปัญหาต่อไปต่อไปในเรื่องการบวชพระในเมื่อแก้ทางพิสูจนีได้ก็แก้ของพระได้ด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะเลยเถิดไปเรื่องอื่นอีกเพราะว่าลงทำอันหนึ่งแล้วมันก็ใช้ข้ออ้างอันนี้มันก็เลยทําให้ต้องมีการปิดทางที่จะเกิดช่องเสียแต่นี้กลับไปอันที่หนึ่งก่อนคือปัญหาพื้นฐานที่ว่ามีพุทธบริษัท4อันนั้นก็หมายความว่าพุทธบริษัทสี่มันมีอยู่แล้วก็ต้องให้พุทธบริษัท4นี้มีคุณสมบัติอย่างนั้น แล้วในกรณีที่มันไม่มีครบแล้วจะทําไงไออันไหนมันขาดไปมันก็ต้องขาดไปถ้าพระอาถถึงภาวะที่มันเป็นจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าพุทธบริษัท4เมื่อมีอยู่ก็ต้องให้ทุกบริษัทเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ท่านไปเน้นที่คุณสมบัตินะไม่ใช่หมายความว่าให้มีพุทธบริษัท4ี่อยู่ครบที่จะรักษาแต่ท่านบอกว่าพุทธบริษัท4ี่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ถึงจะมีอยู่แต่ไม่มีคุณสมบัติก็ไรประโยชน์ใช่ไหมในะมันไม่ใช่ว่าจะรักษาศาสนาได้เพียงด้วยการมีพุทธบริษัท4ครบแต่มันอยู่ที่พุทธบริษัทที่มี4นั้นนะ่ะมีคุณสมบัติที่สามารถรักษาศาสนาตั้งหานั้นะทีนี้ในเมื่อมันขาดมันหายไปถ้ามันเป็นภาวะจําเป็นเราก็ต้องให้ไอาที่เหลือนั่นแหละมีคุณสมบัตินั้นมันเป็นคนละประเด็นนะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเลือกเอาและ มันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปตามความจริงของมันเลยตามสภาวะของมันทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องของการแก้กฎหมายในกรณีนี้มันเป็นการแก้พุทธบัญญตัติหนึ่งเราต้องการหลักที่เป็นพุทธบัญญัติหรือเปล่าหรือต้องการหลักในระดับแค่สังฆะนี่มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็คือว่าถ้าหากว่ามีการแก้นี้ได้ก็แก้อื่นได้ต่อไปพระบิณษ์ก็ไม่จําเป็นต้องบวชจากพระบิณฑษ์สงฆ์ก็ได้ ก็อาจจะมีการบัญญัติอย่างอื่นขึ้นมาอีกปัญหามันก็จะเลยเถิดรักษามันก็มีปัญหาและหลักการใหญ่ที่ได้ตกลงกับที่เราเรียกว่าเป็นนิกายเป็นเถรวาด่าเถรวาดเมื่อเห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตกลงว่าเราก็ถือตามพุทธบัญญัติไปเลยก็เลยสายนี้เรียกว่าเถรวาดเถรวาดเนี่ยก็คือถือตามหลักการที่ท่านวางไว้ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าว่าเราไปปฏิบัติแบบนั้น เราก็กลายเป็นมหาญาณอ้าวทีนี้เราจะยอมรับตัวเองเป็นเถรวัตอยู่ไหมหรือจะไปยอมรับที่จะเป็นแบบมหาญาณถ้าเป็นแบบมหาญาณเราก็ได้เห็นปัญหาว่ามีการแก้กันแล้วก็แยกนิกายไม่รู้จักสิ้นสุดทางมหาญาณก็พอว่าแก้อันนี้ได้อันนั้นก็แก้ได้ น, นิกายนี้แก้แค่นี้พออีกนิกายบอกว่าอันนี้มันก็น่าจะแก้ด้วยอันนี้นิกายนันบอกไม่ยอม เมื่อไม่ยอมคุณก็เป็นนิกายนี้ไปฉันก็แยกไปเป็นนิกายหนึง่งต่อไปในนิกายนั้นก็เอาอีกก็มีพวกที่เอาแค่นี้อีกพวกหนึ่งก็แยกอีกเลยไม่รู้กี่นิกายใช่ไหมนิกายย่อยในมหายาณอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลานี้มีในเราสองนิกายและไปไปม า, มาพุทธบัญญัติเดิมแทบไม่เหลือก็ในญี่ปุ่นนี่ทุกนิกายในนี้มีครอบครัวหมดแล้วเอาอย่างเงี้ยใช่ไหม เทรวานี่แน่นอนมันก็มีข้อเสียข้อเสียที่ว่าเราไม่ยอมแก้ไขอะไรแต่ว่าเราจะเอาแง่ไหนละ่ะแง่ที่ยังรักษาส่วนรวมโดยหลักการใหญ่ให้อยู่ข้อปีกย่อยยอมจะต้องบกพร่องบ้างก็เลยเอารักษาหลักการใหญ่ไว้ก่อนก็ยืนยันว่าถือตามหลักการที่เป็นพุทธบัญญัติเดิมไม่ยอมยกเลิกไม่ยอมเพิกถอนไม่ยอมแก้ไข นี่ถ้าเป็นมหายานก็จะเป็นแบบแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักจบก็เลยกลายไปว่าตอนนี้ก็เหมือนกันต้องเลือกเอาว่าจะหาจะเอาแบบเถรวาทก็ยืนยันไปตามหลักการเดิมถ้าว่าเป็นมหายานก็ไปแก้ไขได้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายมหายานก็ยังมีภิกษุณีอยู่แต่ว่าทีนี้มันก็มีปัญหาทางภิกษุณีที่สืบมาทางไต้หวันก็บอกว่าภิกษุณีที่นั่นก็สืบมาจากสายเถรวาทไปเจรังกาบวชให้ อันนี้มันก็อยู่ที่มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันแหละมาปรวัติศาสตร์ว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่เรามีความเป็นมาที่ถูกต้องอย่างไงอะไรเป็นเรื่องที่ว่ากันในข้อมูลข้อเท็จจริงในทางประวติการละหนึ่งเราชัดในเรื่องหลักการสองก็มาดูประวัติการแล้วดูสมความต้องการของเราว่ามันไปกันได้แค่ไหนและจะจัดแค่ไหนนะอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกของเราด้วยนะอันนี้อาตมาไม่ไปตัดแต่เป็นว่าผู้ให้เห็น ว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้ประวัตการเป็นอย่างงี้แล้วก็ความต้องการของเราจะเอาไงนี่เราตกลงกันเอาสุภีถ้าจะบวชก็บวชมหายาได้อยู่แล้วใช่ไหได้อยู่แล้วเลยพ่ อ, พอไม่จําเป็นต้องมาบวชเลยเพ็ญเลยพ่ อ, พอก็ตอนนี้ก็คล้ายๆถ้าจะมีภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีมหายานไปเพราะในลังกาเองก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการแตกแยกกันนะเวลานี้แตกแยกกันเรื่องการบวชภิกษุณีเพราะว่าพระลังกาพวกหนึ่งก็บวชให้ แลอีกส่วนพวกส่วนใหญ่ด้วยจะไม่เอาด้วยก็กลายเป็นทำให้พระเถรวาดแตกกันอีกนจะขอเรียนถามเรื่องข้อเท็จจริงนะคะว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าทำไมภิกษุณีในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะยต้องถือศีลถึง3ามร้อยศีลหนึ่งนะคะ311เ อ, อิอประเด็นที่สองก็คือว่าทำไมภิกษุณี หลังจากที่นางมหาปชาบดีโคลเตมีได้บวชแล้วเนี่ยนะคะแล้วต่อมาไม่นานรู้สึกว่าจะเป็นแค่ห0าร้อปันศา500ปีใช่ไหมคะก็จําไม่ได้นะคะว่าทําไมถึงหมดหมดไปในช่วงนั้นอ๋อก็เราดูพุทธพจน์แล้วก็ดูได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่ามันควรจะอยู่ไปได้เท่านั้นใช่ว่าจะอยู่ได้พันปีมันก็เลยเหลือ500ร้อยปีอะไรนี้ท่านอุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพราะว่ามันทําให้เกิดความอ่อนแอ อ่อนแอลงเพราะว่าสงฆ์ภิกษุอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเรียกว่าบุกเดินหน้าเต็มที่พอมีภิกษุณีเนี่ยความห่วงกังวลการดูแลรักษามีขึ้นเอาประเด็นที่สองนี่ก่อนคือหนึ่งสภาพสังคมสมัยนั้นไม่ค่อยเอือ้อแล้วก็ความเป็นพระภิกษุนีผู้หญิงเนี่ยมันมีปัญหาในทางธรรมชาติบางอย่างเช่นอย่างการอยู่ป่าอันนี้เป็นตัวอย่าง ตอนแรกผู้หญิงเมื่อบวชเป็นภิกษุณีก็ต้องการชีวิตวิเวกปฏิบัติธรรมได้ดีไปอยู่ปากก็เกิดอันตรายพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าภิกษุณีต้องอยู่ในวัดที่มีพระภิกษุก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็จะตอบข้อที่หนึ่งได้ด้วยว่าทำไมภิกษุณีจึงมีศีลมากถึง3 1 1เช่นข้อนี้ข้อว่าภิกษุณีจะต้องอยู่ในวัดที่มีพระภิกษุนี่ก็เป็นสิกขาบทที่ผู้ชายไม่ต้องมี อ้าวแล้วยังเดินทางไปลาไกลภิกษุณีไปกันหลายรูปแต่ก็เกิดอันตรายอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งบัญญัติว่าภิกษุณีจะเดินทางไกลต้องไปโดยมีพระภิกษุไปด้วยนีอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้มันก็ทําให้ภิกษุณีเองก็เกิดความลําบากขัดข้องพร้อมกันนั้นก็ทําให้พระภิกษุไม่คล่องตัวด้วยเหมือนกัน คือชีวิตพระเนี่ยเราต้องมองว่าพระพุทธเจ้าตั้งสังฆาขึ้นมานี้ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคลที่เข้ามาบวชคือมาเป็นชุมชนที่จะทําหน้าที่ต่อสังคมสังฆานี้พระพุทธเจ้ามุ่งเพื่อว่าจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนใช่มพระอุเชนัยตายะพระอุเชนัสุขายะจุดเนี่ยที่สําคัญมากนั้นพระที่บวชมาพุทธเจ้าจึงต้องดูคุณสมบัติด้วยแม้แต่ในหมู่สงฆ์ก็การเองเนี่ย 1. นึงก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคแก่ตัวเองในการปฏิบัติสองไม่มาเป็นภาระแก่พระสงฆ์ด้วยกันเพราะพระองค์อื่นนอกจากส่วนตัวจะต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านจะได้จาริกไปทำหน้าที่ต่อประชาชนได้เต็มที่ต้องดูเรื่องของหน้าที่หรือภารกิจของสังฆะต่อชุมชนต่อประชาชนเนี่ยอันนี้เรามักจะมองข้ามจุดนี้ไปเราก็จะไปมองที่ เป็นส่วนตัวของพระภิกษุที่บวชไปเป็นประโยชน์ของท่านพุนนั้นที่จริงไม่ใช่แค่นั้นนั้นการที่ว่าบุคคล น, นิพพานนี่จุดหมายอันหนึ่งก็คือเพื่อจะได้ไปทําการเพื่อประโยชน์ประชาชนได้เต็มที่ไม่ต้องมีห่วงจุดนี้ถ้าเรามองข้ามมันก็จะทําให้การพิจารณานี้บกพร่องได้นั้นผู้ที่บวชเนี่ยท่านจริงไม่ให้มีอะไรพลุญพลังเรียกว่าเดินหน้าบุกได้เต็มที่เลยเรียกว่าบุกเดียวได้เต็มที่ว่างั้นเถอะไปไหนไปกัน ถามเรื่องสังคมมามากแล้วกลับเรียนถามพระคุณเจ้าเรื่องธรรมะสักข้อหนึ่งนะครับเรื่องสัมโพธิชงเจ็ที่ว่ามีสติธรรมวิจยะวิยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบกขาแล้วก็ผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกมีว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานให้มากเนี่ยจะทําให้โพชิชงเจ็บริบูรณ์นะฮะสติปัฏฐานก็คือสัมมาสติมรรคองค์ที่7เยจ็ดนะฮะ ผมพิจารณาถามข้อนี้ผมมีความเข้าใจว่าโพษชงเจดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระบวนที่เกิดขึ้นระหว่างสัมมาสติซึ่งไปสู่สัมมาสมาธิแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าอุเบกขาในอุเบกขาในโพชชงเจดนี่ก็จะไปทาบคาบกับอุเบกขาในในสัมมาสมาธิในชานที่4 <ล><ๆ>ไม่ทราบ<ๆ>ว่าเข้าใจเข้าใจถูกไหมครับเลยพรคือ ธรรมะหมวดนี้บางทีเราก็เรียกรวมรวมว่าอยู่ในชุดโพธิปัจขัยธรรมธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้อยู่ในชุดของการตรัสรู้ซึ่งมี37ประการใน37ประการนี้ก็มีทั้งมักทั้งโพชฌงมีทั้งสติปัฏฐานสี่ก็อยู่ในนี้หมดนี้ธรรมะที่เป็นโพธิปัจขัยธรรมเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันความจริงมันก็เป็นการที่ว่ามาแยกตามการใช้งาน เอาเขาจริงแล้วมันก็อยู่ในส่วนโน้นส่วนนี้มันถึงกันหมดสติปัฏฐานก็คือไปยกเอาสติเป็นใหญ่ก็สติมันก็เป็นข้อแรกข้างในโพชฌงอยู่แล้วเรียนบ่พอตั้งสติขึ้นมาเวลาเราแปลสติปัฏฐานเราแปลกันว่าตั้งสติบางทีก็แปลว่าความปรากฏของสติหมายความว่าสติมันอยู่นั่นแหละมีสติอยู่พอสติมันอยู่เวลาดําเนินไปถูกทาง พอมาดาเนินไปถูกทางเนี่ยมันก็ดําเนินตาโพชชงไปได้สติถ้ามันไม่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วโพชชงมันก็ไม่เดินไปเพราะนั้นสติปัฏฐานมองในแง่นี้ก็เหมือนกับเป็นตัวเริ่มให้โพชชงมาโพชชงมันก็อาศัยสติปัฏฐานในแง่นี้เลยว่าอันนี้สติปัฏฐานนี่มันคล้ายๆว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยสติเหมือนกับตื่นอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะสติตลอดเวลามันก็เอื้ออํานวย ให้พอดชงที่จะปฏิบัติไปได้เต็มที่มันก็เดินไปในกระบวนการก็หมายความว่ามันจะมีสติอย่างเดียวไม่ได้สติในสติปัฏฐานมันก็มาเป็นโอกาสเอือ้ออํานวยแต่ความจริงในสติปัฏฐานนั้นองค์ธรรมที่ประกอบมันก็ชัดอยู่แล้วอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีก็มีความเพียรสัมปชานโนก็มีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วก็สติมาก็มีสติปัญญาก็เป็นตัวสําคัญอยู่ในพอดชงนั่นแหละ แต่ไปจับตัวเด็ดตัวใหญ่ตัวสําคัญตัวหัวใจเอามาบอกไว้ในนี้แต่เวลาไปดําเนินการแยกแยะรายละเอียดมันก็ออกไปที่โพชชงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาแยกแยะละเอียดแล้วก็กลายไปว่าหมวดทามสองหมวดนี้ก็มาประสานกันเป็นบอกคล้ๆว่าตอนพูดถึงสติปัฏฐานเราจะเน้นไอ้ตัวเด่นตัวชัดที่มีสติเป็นตัวเริ่มต้นแล้วตัวสําคัญที่ทํางานก็สัมปชัญญะปัญญาแล้วก็มีความเพียรที่จะเดินหน้า ทีนี้ความเพียรดําเนินยังไงมันก็จะดําเนินเอาโพชงนี้ไปใช้พอมีสติแล้วก็ไปปัญญาธรรมวิจยะแล้วก็มีวิริยะใช่ไหมเลยพ่อแล้วก็ต่อไปไอตัวพ่วงมาก็มีปีติมีปัสสธิแล้วมีสมาธิแล้วก็อุเบกขาอุเบกขานในกรณีนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอุเบกขาในอันไหนละแตามันเป็นอุเบกขาในธรรมเป็นอุเบกขาในธรรมก็ต้องมาด้วยปัญญาก็อาศัยปัญญานั่นเอง ปัญญาที่เกิดความรู้ความเข้าใจจิตเข้าถึงภาวะที่อยู่ตัวเรียกว่าสมาธิแล้วทุกอย่างลงตัวกันหมดก็เรียกว่าอุเบกขาขอใช้ภาวะจิตที่ลงตัวว่าอุเบกขาเรียนี่ก็มีอันหนึ่งที่คุณรสนาถามก็เลยอยากจะพูดสนิตหนึ่งด้วยคือบางท่านก็อาจจะสงสัยบอกว่าอ้าวพระพุทธเจ้าก็เปิดโอกาสไว้แล้วว่าให้สงเนี่ย ถอนสิกขาบท เ, เล็กๆน้อยๆก็คล้ายๆว่าแก้ไขพุทธบัญญัติได้บางท่านก็จะมาอ้างคนนี้นี่ก็แง่นหนึ่งก็คือว่าทางเถราวาสเนี่ยได้พิาณาแล้วตกลงกันว่าเราเอายงี้กันแล้วกันเรายอมเสียสละไม่ถอนนี่บางท่าก็อาจจะแย้งว่าอา้าวก็พระพเจ้าทรงมีพระยานรู้เบื้องหน้าแล้วพระทางเถราวาสไม่ปฏิบัติตามพุทธานุญาตนี้ก็เหมือนกับไปลบหลู่พระปิชาญาณของพระองค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ เราก็ตอบได้ว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสไว้ไม่ใช่บัญญัติว่าจะต้องไปแก้คือพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้บอก่าถ้าสงเห็นชอบจะถอนพวกสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้การทรงประทานอนุญาตไว้นี้ก็เป็นพระปีชา ย, ยาญของพระองค์อันนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ทีนี้พระองค์ให้โอกาสแล้วเราจะใช้โอกาสหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเราแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเองที่จะใช้โอกาสหรือไม่ใช้โอกาสแล้วก็เป็นการยอมรับพระปรีชาญาณด้วยว่าพราะองค์มีปรีชาญาณมากกว่าเราที่จะแยกแยะได้แต่ทีนี้พวกเรายอมรับตัวเองว่าเราไม่สามารถแยกแยะอันไหนที่ควรจะเลิกไม่เลิกเราก็เลยยอมรับความไม่สามารถของเราเราไม่มีปรีชาญาณข น, นาด น, นั้นเราก็เลยไม่ใช้โอกาสนั้นถูกมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หมายความไปทาลายลบหลู่พระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้า อ้าวมีอะไรว่ากันให้ชัดคุณรสชนาไม่ติดใจเหรือก็ที่จริงคำถามที่จะเราจะถามเหมือนกันเลยคำถามเอออภิสมาจารย์กับอาจารย์นะแต่จะจะถามประเด็นนี้อ๋อจะเออไออภิสมาจารนี่มันแค่ไหนโดยที่พระเจ้าท่านทรงประทานอนุญาตว่ามีการแก้ไขเนี่ยออาจจะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้หรือเปล่าแต่ท่านก็เลยตอบตรงนี้แล้วอแต่ถ้าจะถามไปอีกนิดนึงก็ว่า เอ๊ะเมื่อกี้เขาพูดกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะพอมาถ้าเกิดว่าเราเอาประเด็นนี้มาจับมันจะกลายเป็นว่าผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิตรงนี้มากพอหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเองก็อาจจะต้องการเป็นนักบวชต้องการจะมีชีวิตที่เป็นอิสระเช่นเดียวกันแต่พอ อ, อยู่ใน อ, อย่างที่ท่านอาจารย์พูดใช่ว่าทางฝ่ายสงฆ์เองก็ มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีการทอนแก้พุทธบัญญัติแก้พุทธบัญญัติเนี่ยก็จะเท่ากับเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายสตรีได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะอันนี้จะถือว่าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษย ช, ชนไหมเมื่อกี้เราพูดถึงเพศที่3ามแต่จริงๆว่าตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเพศที่3าเอาแค่เพศที่2อก็พอคืออย่างที่ <laughs> คือที่ท่านว่าแก้พุทธบัญญัติหรือว่าเพิกถอนสิกขาบทเล็กๆ น, น้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องคลุมคุมกว้างๆมันไม่เฉพาะเรื่องพิษุณีทีนี้ก็เลยว่าเรื่องพิษุณีมันก็ไปอยู่ในนั้นเองใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักการที่กว้างครอบคลุมทุกอย่างมันไม่ใช่เฉพาะทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วคือผู้หญิงมีสิทธิอยู่แต่ทีนี้ทําไงจะหาผู้มีสิทธิที่จะให้บวชเนี่ยมันก็สำคัญมาอยู่ที่นี่ทีนี้ตอนนี้เราหาไม่ได้ ภาะภิกษุเองท่านก็กลัวความผิดเหมือนกันนะท่านจะมาเที่ยวให้บวชได้ยังไงท่านถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์เนี่ยปัญหามันอยู่ที่นี่มากกว่าเราก็มาจนกรงเนี้ยัณะผู้หญิงมีสิทธิบวชแล้วก็ควรมีสิทธิในชีวิตที่ดีงามวิเวกเนี่ยตมาว่าทำไมเราจะมาตันแค่นั้น ล, ล่ะเราก็หาทางออกในขณะนี้ที่ว่า ถ้าการบวชเป็นภิกษณีอย่างเทรวาสเนี่ยทําไม่ได้แล้วเราจะตั้งชุมชนของสตรีที่มันมีเกียรติอะไรเรียกปัจจุบันว่ามีศักดิ์ศรีเนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรมันก็น่าจะทําได้โดยที่เราก็ยอมรับไปตรงๆ ต, ตามความเป็นจริงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ภิกษณีนะตามความหมายแบบที่เป็นพุทธบัญญัติแต่เราตั้งชุมชนที่เป็นสตรีที่เป็นผู้ที่บวชขึ้นมาก็เหมือนโบราณ น่าจะมาว่าตอนที่คิดตั้งเรื่องระบบแม่ชีขึ้นมาตอนแรกก็คือทางออกอย่างหนึ่งแต่นี้ตอนหลังเนี่ยระบบแม่ชีนี้ก็กลายไปว่ามีความเสื่อมลงไปเพราะารักษากันไว้ไม่ดีก็ธรรมดาก็มีการเสื่อมความเจริญนี่ถ้าหากว่าเราทางเลือกทางทีศหนึ่งก็คือว่าฟื้นระบบแม่ชีที่ดีงามถูกต้องขึ้นมาสองไม่ฟื้นขึ้นมาก็ตั้งระบบใหม่ชุมชนอีกแบบขึ้นมา ก็มีทางเลือกที่เราก็ควรจะมาคิดพิจรารณากันไม่ใช่ว่าจะต้องไปจนอยู่อย่างเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นทางที่มาคิดพิจรารณาเลยขอการ์ดโทษเรื่องสิทธิอีกหน่อยคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องสําคัญอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมองหลายแงย่เพราะถ้าเรามองแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวเนี่ย บางทีมันก็เข้าแนวความคิดที่เขาต่อว่าซึ่งคนสมัยปัจจุบันเองก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชอบคิดแยกส่วนอ้าวก็เอาเรื่องสิทธิมนุษยชนมาแยกพูดแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนมันต้องพูดไปโยงกันกับเรื่องอื่นๆด้วยว่าเออที่จริงในสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขามีขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาประกาศขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างน้อยก็เป็นหลักประการพื้นฐานเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ตั้งอยู่ได้ แล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญดีงามพัฒนาต่อไปทีนี้การพิจารณาว่าการที่จะมีสิทธิมนุษยชนใช้สิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ต้องดูที่ความมุ่งหมายว่าเออเพื่อความดีงามเช่นการพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามเนี่ยไอ้ส่วนอื่นที่จะทําให้ชีวิตเจริญงอกงามมันมีอะไรเหมือนอย่างการที่มาบวชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิของบุคคลเราจะเห็นว่าหลายอย่างถ้าดูไปแล้วมันเป็นการยอมเสียสิทธิ เมื่อคนพัฒนาขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าคอยจะจ้องเรียกเอาสิทธิของตนใช่ไหมการพัฒนามันหมายถึงการที่จะยอมให้แก่ผู้อื่นด้วยทีนี้ถ้าเราเคยชินเรามัวอยู่กับเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนแล้วมองไปมองมาบางทีเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะพัฒนาสภาพจิตแบบจ้องจะได้จะเอาแล้วมันจะเกิดปัญหา อย่างประเทศตะวันตกที่เกิดปัญหามันก็เพราะอันนี้ด้วยนะเกิดการแย่งชิงเกิดการจ้องจะได้จะเอามีแก่การพิทักษ์สิทธิสส่วนตัวการไม่มีน้ำใจนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองว่าสิทธิมนุษยชนนี่เป็นหลักประการพื้นฐานเพื่อให้มนุษย์อยู่ได้แล้วก็จะได้สามารถมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปอีกเราต้องไปเชื่อมกับไอ้ส่วนที่ว่าหลักการอะไรที่จะมาช่วยพัฒนาต่อไปตอนนี้มันจะมีการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ ซึ่งในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์นั้นมันมีการที่ว่าเมื่อเขาพร้อมแล้วเขาสามารถแม้แต่ว่าไม่ใช้สิทธิไม่เรียกร้องสิทธิของตนเองได้ในะอย่างพระคำะบวชเนี่ยก็ต้องยอมสละสิทธิมากมายอย่างปัจจุบันในทางการเมืองพระก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งท่าที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนอันนั้นก็อย่างเรื่องหนึ่งแต่ว่าง่ายๆก็อย่างสิทธิในมรดกก็ไม่มีอย่างว่า สิทธิให้มรดกส่วนตัวทำพินัยกรรมให้ไม่ได้ถ้าให้ต้องให้เลยตอนอยู่ถ้าจะไปเขียนพินัยกรรมตายไปแล้วนี่ของนั้นเป็นของสงเลยสิทธินั้นไม่มีต่อไปอ่ะแล้วก็สิทธิที่ผู้อื่นจะให้เช่ว่าครอบครัวทางพ่อแม่เสียชีวิตเขียนพินัยกรรมให้ลูกๆแล้วเกิดมีกรณีกันขึ้นนี่ภิกษุไปฟ้องเรียกสิทธิไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้น วิศุต้องรู้ตระหนักว่าตัวเข้ามาเนี่ยจะยอมรับอันนี้ไหมแล้วก็ยอมรับแต่ทีนี้ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดกันว่าจะต้องให้พระมีสิทธิทเลือกตั้งหรือไม่ถ้าจะเถียงกันอาตมาว่าก็ต้องไปดูหลักการและเจตนารมพื้นฐานก่อนในทางวัตศาสนาคือหลักการเป็นยังไงแล้วก็มาจริงมาพิจารณาแ ล, ล้วเราต้องการยังไงเราต้องการยังไงแล้วจะเอาอย่างว่ากับเป็นกันขันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเยอะ เนีเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าหนึ่งมาเป็นขั้นตอนในการพัฒนามนุษย์ในแง่หนึ่งถ้ามองในทางลบเหมือนกับว่ามันไประกาศฟ้องว่ามนุษย์เนี่ยเท่าที่เป็นมานมันยังวุ่นวายมันยังข่มเหงรังแกกันเลยเกินต้องมีหลักอันนี้ขึ้นมาเป็นมาตรฐานเป็นหลักประกันก็เป็นความดีในขั้นหนึ่งแต่มันเป็นการช่วยให้พ้นจากสภาพลบที่ไม่พัฒนาของมนุษย์ แต่การที่จะพัฒนามนุษย์ต่อไปมันน่าจะมีอะไรที่ขึ้นไปกว่า น, นี้อีกที่เราจะไม่ติดอยู่แค่เรื่องสิทธิแล้วสิทธิเนี่ยมันจะไปเน้นในแง่ของบุคคลเช่นว่าแม้แต่ในประกาศไอ้เรื่อง human rights เนี่ยมันก็จะเน้นเชเรื่องของการที่รัฐจะต้องเอื้ออํานวยอะไรต่างมันมองในแง่ที่ว่ารัฐหรือสังคมต้องจัดให้แก่บุคคลแต่ว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองเวลาประกาศเนี่ยประกาศเขาก็บอกว่า ไอเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเหมือนกับเป็นหลักประกันเป็น Foundation of Freedom, Justice and Peace in the World ใช่ไหมเขาบอกเขาอย่างนี้ก็หมายความการประกาศสิทธิมนุษยชนที่เน้นเรื่องบุคคลเนี่ยมันโยงไปหาเรื่องของส่วนรวมนะอ่าก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นจุดหมายด้วยว่าให้บุคคลเนี่ยมีสิทธิได้รับการยอมรับแล้วจึงเป็นรากฐานของอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลกแสดงว่าเขามองมาที่ส่วนรวมนะเมื่อมองมาในแง่ส่วนรวมเขาแสดงว่าสองอันนี้เขายอมรับการอาศัยซึ่งกันและกัน ร, ระหว่างปัจเจ ก, กชนกับเรื่องของสังคมหรือส่วนรวมเนี่ยแล้วก็มีสิทธิมนุษยชนนี้ก็เป็นฐานเพื่อจะให้มนุษย์โลกนี่มีสันติภาพอันนี้เราควรจะก้าวอีกขั้นไหมตอนนี้ให้บุคคลเนี่ย ได้รับการพิทักษ์รักษาสิทธิของเขาจากรัฐเป็นต้นแล้วก็จะได้ช่วยให้โลก้มีสันติภาพมีความสงบสุขแล้วทีนี้มันจะมีขั้นหรือเปล่าว่าเพื่อให้โลกมีฟรีด o มมี justice และก็มี peace อะไรพวกนี้เราแฮปปี้เนสด้วยกัได้นะแล้วบุคคลเนียควรจะทำอะไรบางมันน่าจะมีั้มเนี้ยอ่ามันน่าจะย้อนอีกทีหนึ่งน เราก็พูดกันว่าหน้าที่คู่กับสิทธิอะไรต่างๆแต่เราอาจจะไม่ต้องพูดว่าหน้าที่ก็ได้แต่เพื่อความดีงามที่โลกมันจะพัฒนาต่อไปนะเราจะมามุ่งเน้นแต่เรื่องสิทธิจนกระทั่งไปไปมามาคนมาเรียกร้องอย่างที่ว่ามีสภาพจิต ท, ที่จะได้จะเอามันก็มันไปนเอียงดิ่งไปข้างหนึ่งเราควรจะให้มันเป็นหลักประกันอย่างที่ว่าจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือให้มนุษย์พัฒนาต่อไปโดยการที่ว่าเออตอนนี้เราจเจริญมาขั้นนี้แล้วนะ เราก็มาอ้างไอ้อันนั้นแหละไอ้อันที่อ้างในสิทธิมนุษยชนนั่นแหละที่บอกว่าเพื่อให้โลกเนี้ยมีสันติภาพมีความสงบสุขอะไรเนี่ยมีอิสรภาพอยู่ได้บุคคลแต่ละคนควรปฏิบัติทำการอะไรดังต่อไปนี้ในขั้นพื้นฐานก็ขอเสนอไว้ด้วยว่าน่าจะมีอันนี้ไหมนครับเ ร, รคิดว่าเราได้ใช้เวลามานานนะครับวันนี้ก็มีความปิติ ที่ได้มากราบท่านเจ้าคุรอาจารย์ของพวกเราแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องขอประธานอภัยที่มารบกวนการพักผ่อนที่จะทําให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีอายาวะที่พิกงพิการไปแล้วก็ตามอย <c oughs> งที่ท่านบอกก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับแล้วก็พวกเราก็ระลึกถึงทจ้าคุรอาจารย์อยู่เสมอแล้วก็อยากจะมากราบอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องการให้ท่านคุณอาจารย์ได้พักผ่อนนะครับ ก็สุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญคุณปีดาเตียสุวรรณนะครับรักษาการประธาน SVN เนี่ยได้กล่าวหลวงพ่อครับเมื่อพว ก, กผมมาเมื่อ 2-3 สาปีที่แล้วนะครับก็ในแน่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้รับแสงสว่างนะครับไปแล้วก็นำไปดำเนินชีวิตทำงานที่ผมคิดว่าผมทำเพื่อส่วนรวมก็ได้งานซึ่งมันมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างค่อนข้างมาก แล้วผมก็เป่าลบกับเพื่อนๆคณะเดียวกันตลอดเวลาถึงประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสที่มาที่นี่วันนี้อีกก็เช่นกันก็ได้รับไปสองสามจุดแล้วผมก็แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานผมเืล้นทีมผมที่มาเนี่ยคงจะได้ไปในลักษณะเดียวกันหรืออาจจะได้มากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับในแง่ของกิเลสเนี่ยก็คงอยากจะกลับมาเพื่อที่จะได้รับแสงสว่างนั้นอีกแต่ก็อย่างที่คุณวิบูล์ว่า ก็มีความกังวลในเรื่องของความอยากของเราที่จะได้กับสารภาพของตัวหลวงพ่อเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ได้มานะครับที่หลวงพ่อกรุณาให้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็จะจากันแล้วก็ระลึกถึงแล้วก็จะไม่มีบันลืมถึงสติปัญญาที่ได้จากเวลาสองชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับกลับขอบคุณครับ ก็ขอโมทนาโยมญาติวิดทุกท่านทั้งทางด้าน SVN น <V N. S 1> แล้วก็ทั้งทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ขอให้เรามีกำลังทางกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญา ก, กำลังสามคัคคีช่วยกันบาเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่แล้วก็ทำให้ก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญงอกงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยเจ้าตุรพิตาพรชัยทั่วกันขออนุโมทนา